เจริญพรท่านผู้มีจิตศ ร, าราัทธาในความเริ่มใสายในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวดเพื่อมา สร้างกำลังใจให้แก่จิตใจเพราะไม่มีอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่าจิตใจเพราะความสุขความทุกข์ของจิตใจนี้รุนแรงมีน้ำหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราว ใจเป็นของถาวรร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อจะอยู่กับถ้าอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลก็จะอยู่กับความสุขความเจริญถ้าอยู่โดยปราศจากบุญกุศลก็จะอยู่แบบทุกข์ทรมารดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทมันมเข้าวัดอยู่บ่อยๆมาสร้างกำลังใจเหมือนกับการมาชาร์ตแบตเตอรี่มือถือเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือไปแล้วแบตเตอรี่ก็ต้องหมดถ้าไม่ชาร์ตก็จะไม่สามารถใช้มือถือได้ ฉันใดใจของเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่คอยชาติบุญกุศลอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะอ่อนแอจะไม่มีกำลังที่จะทำอะไรต่างๆได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราได้ชาติบุญชาติกุศลอยู่เรื่อยๆใจของเราจะมีพลังจะมีความสุข จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคความทุกข์ยากลาบากของทางร่างกายไปได้อย่างไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่เหนื่อยยากแต่อย่างใดนี่คือคุณประโยชน์ของบุญกุศลถ้ามีบุญมีญกุศลอยู่ภายในใจแล้วจะมีความสุข ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็าตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆเช่นสมบัติข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆจิตใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายเพราะจิตใจของเรามีกำลังที่จะต้านความเดือดร้อนต้านความวุ่นวายต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเอง เราจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างกำลังใจด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆจนมีบุญมีกมุศลเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายมีกันถ้าเรามีบุญระดับพระพุทธเจ้าระดับพระอาหลานตสาวกแล้วเราจะอยู่เหนือความทุกข์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายหรือรความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียผ้าพ ร, พร่าจากสิ่งทั้งหลายไปสิ่งต่างๆจะไม่มีความหมายอะไรกับจิตใจเพราะจิตใจไม่ได้พึ่งไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเพราะมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งแล้วนั่นเอง ตอนนี้พวกเรายัางไม่มีบุญไม่มีกุศลกันพวกเราเลยต้องพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งรากยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงจิตลดผลธรรมะเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดต้องพึ่งอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ปราศจากลากยศสรรเสริญปราศจากรูปเสียงจิตลดผลธรรมะเวลานั้น ก็จะมีแต่ความเศร้าสร้อยหงอยเหงาไม่มีเวลไม่มีแรงไม่มีกำลังจิตกำลังใจเหมือนกับคนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดเวลาคนที่ติดยาเสพติดเวลาไม่ได้ติดยาไม่ได้เสพยาเสพติดเวลานั้นจิตใจจะเศร้าสร้อยหงอยเหงาว้าเหววจะมีความ บมดหิตลำคาญใจจะมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจพอได้เสกแล้วก็จะสบายใจไประยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ต้องเสกใหม่ถ้าไม่ได้เสกก็จะทุกไม่เหมือนกับบุญกุศลถ้าเรามีอยู่ภายในใจแล้วเราจะไม่ต้องการสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ เราจะไม่หิวกับความกับลาบย่นสารเสริญกับรูปเสียงติดรถผลพัฒน์ต่างๆเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากบุญจากกุศลนี่เองเราจึงควรที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มีให้บ้ากๆภายในใจยิ่งมีมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นยิ่งมีความทุกข์น้อยลงไปเท่านั้นอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะเราสามารถสร้างกุศลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือไม่ไม่ว่าเราจะมีร่างกายนีหรือไม่ หรือว่าเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถทำอะไรได้แต่เรายังสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้เพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายใช้ใจเป็นผู้สร้างใจเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลและใจเป็นผู้รับอนิสง์รับผลของบุญของกุศล ก็คือความสุขความโลมเย็นความปราศจากความทุกข์ต่างๆไม่ว่าลาบยศสารเสริญจะเจริญหรือเสือ่อมไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่ว่าจะต้องสูญเสียพัดพาจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปจะไม่รู้สึกทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เลย เพราใจไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆนั่นเองใจมีที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งที่ดีกว่านี้ก็คือบุญกุศลที่พวกเราได้มาสร้างกันในวันนี้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลหลายรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่เราทำกันง่ายที่สุดก็คือทานการให เพียงแต่สละทรัพย์สมบัติสละประโยชน์สุขที่เรามีเกินความจำเป็นที่เราไม่เดือดร้อนเวลาที่เราเสียไปแต่เรากลับจะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากการให้ทานได้ความอิ่มเอิบใจได้ความภูมิใจได้ความพอใจ ทำให้เราระงับความโลภความอยากต่างๆได้ไปในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ายังไม่สามารถระงับได้หมดแต่ก็จะเป็นการตัดกำลังความโลภความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปทำให้เราพออยู่เป็นสุขได้ถ้าเราไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ไปเทีย่ยวหรือไม่ได้ทำอะไรต่างๆ เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนมากเหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำทานทานนี้จะเป็นเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกเช่นไม่ต้องไปเที่ยวกามสถานที่ต่างๆไม่ต้องไปหาความสุขจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ สามารถอยู่คนเดียวอยู่เป็นโสดได้มีอิสระภาพร้อยเอร์เซดีกว่าเวลาที่จะต้องอยู่กับคนอื่นเพราะจะกลายเป็นทาสของเขาจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตไม่มีอิสระเต็มตัวเหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยากจะทำอะไรก็ทำได้ไม่อยากจะทำอะไรก็ทำได้ แต่ถ้าอยู่สองคนคนหนึ่งอยากจะทําอกคนนึงไม่อยากจะทําก็ไม่ได้ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันก็ต้องต้องทำตามความอยากของอีกคนหนึ่งนี่คือการเสียที่ไม่คุ้มกับการได้สิ่งที่เราได้จากการอยู่กับบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราก็ได้ความสุขประเดียวฝดา านั้นเองแล้วถ้าอยู่กันไปนานๆก็จะเกิดความเบื่อหน่ายกันขึ้นมาได้แล้วถ้าไม่มีจิตใจที่ตรงกันมีความอยากไม่ตรงกันก็จะเกิดการขัดแย้งขึ้นมาความสุขที่ได้ก็จะหายไปจะมีความขัดแย้งความทุกข์ตามมาแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะไม่มีปัญหาเหล่านี้ตามมา อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีบุญไม่มีกิสม์พอใจยังไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงไม่มีความสุขหล่อเลี้ยงจึงทำให้ต้องไปหาความสุขจากบุคคลอื่นเวลาอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวยเปล่าเปลี่ยวเดียวได้คิดว่าถ้าอยู่กับมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วจะมีความสุข แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาด้วยมีความทุกข์หลายรูปแบบจากการอยู่ร่วมกันอย่างที่แสดงไว้ก็ส่วนหนึง่งอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องทะเลาะเบาแวงกันาะมีความเห็นมีความอยากไม่ตรงกันถ้ามีความเห็นมีความอยากตรงกันชอบกันรักกันก็จะมีความห่วงความหวงมาสร้างความทุกข์ให้กับใจหวง เวลาไม่เห็นหน้ากันก็กังวลวิตกว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นอะไรไปหรือเปล่าหวงก็กลัวว่าเขาจะไปอยู่กับคนอื่นกลัควคนอื่นจะมายิดมาแย่งไปแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้อ ง, อ, องห่มร้องไห้เวลาที่เขาจากเราไปไม่ว่าจะจากด้วยเหตุอันใดก็ตาม จากด้วยกันเพราะว่าจะต้องไปทำธุรกิจไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเวลาจากกันก็จะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาเหมือนตอนที่ไม่ได้มีเขาหรือว่าเขาจากไปเพราะเขาไปมีคนใหม่หรือว่าเขาจากไปเพราะเขาตายไปนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาซึ่งล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้น แต่เวลาใจเรามีความว้าวเว่เศร้าซ้อยหงอยเหงาเราจะไม่มองเห็นความทุกข์เหล่านี้เราจะเห็นแต่ส่วนที่เป็นความสุขเห็นว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยกันก็จะไม่เหงาจะมีความร่าเริง ม, มีความสนุกสนานมีการทําอะไรต่างๆทําให้เพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายกับชีวิต นี่คือปัญหาของความโลภจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาโลภเวลาอยากได้อะไรจะคิดแต่ในส่วนดีเท่านั้นจะไม่มองถึงส่วนที่เสียจะมองแต่ส่วนที่เจริญจะไม่มองส่วนที่เสือ่อมเพราะความจริงมันมีทั้งสองส่วนมีทั้งเจริญ ม, ม, มีมีทั้งเสือ่อม มีทั้งสวยมีทั้งไม่สวยอยู่ในคนคนเดียวกันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในคนเดียวกันถ้าเราพิจารณาอย่างรอบค้อบเห็นทั้งสองด้านแล้วเราก็จะระงับความโลภอยากจะมีคู่ของได้แต่ถ้าเราคิดเพียงด้านเดียวเราก็จะมีความโลภความอยาก แล้วเราก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังบางคนแต่งงานกันไม่ถึงหกเดือนก็บายบายกันซะแล้วขอลาจากกันซะแล้วเพราะไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนานั่นเองเวลารักกันใหม่ๆเวลาจีกกันก็จะเอาส่วนที่สวยที่งามออกมาโชว์กันนาออวดกันเก็บส่วนที่ไม่สวยเอาไว้ พออยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่เก็บอะไรทีนี้อยากจะมีอะไรก็ปล่อยออกมาเต็มที่พอปล่อยออกมาก็จะทําให้รับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีดังนั้นถ้าอยากจะมีคู่ก็มีได้แต่ต้องคิดถึงเวลาที่จะต้องแยกจากกันบ้างจะได้ไม่เศร้าสศงเสียใจจะได้ไม่ อ, อกหัก จะไม่ต้องถึงกับฆ่าตัวตายแต่ถ้าคิดส่วนส่วนที่ดีเพียงส่วนเดียวไม่คิดถึงส่วนที่เสียเวลาเกิดส่วนที่เสียขึ้นมาจะรับไม่ได้จะเสียหลักจะไปทำบาป ท, ทำกรรมได้อาจจะไปฆ่าคนที่เรารักก็ได้เพราะเขาทำให้เราเจ็บแค้นน้ำใจพอฆ่าเขาแล้วเราก็ฆ่าตัวเราตานไปด้วย นี่คือผลที่เกิดขึ้นได้ว่ามีผลอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราคงได้ยินได้ฟังมาหลากหลายทั้งหนังสือตา่างๆหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีหรือดูละครน้ำเน่ามันก็แสดงให้เราเห็นกันอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมเราไม่เอามาสอนใจเรามาเป็นบทเรียนสอนเราก็เพราะว่าเราไม่มีกำลัง ที่จะสู้กับความอยากต่างๆเพราะเราไม่มีบุญไม่มีกุศลแน่ถ้าเรามาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วน้ำรองได้ว่าเราจะมีกําลังที่จะสู้กับความอยากต่างๆได้ความอยากจะทําบาปเราก็จะหยุดมันได้ความอยากจะไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติมาให้ความสุขกับเราเราก็จะหยุดมันได้ เพราะเราจะไม่หิวมากเพราะว่าเรามีความสุขที่เกิดจากบุญกุศลนี้เราเลี้ยงจิตใจลดความรุมแรงของความอยากต่างๆให้น้อยลงไปแล้วถ้าเราใช้ปัญญาคิดถึงผลเสียที่เกิดจากการทำตามความอยากเราก็จะหยุดความอยากได้ นี่คือบุญกุศลอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้กันส่วนใหญ่เราจะรู้แต่บุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานบุญกุศลที่เกิดจากการไม่ทำบาปเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาแต่เราจะไม่ค่อยรู้จักกับบุญที่เกิดจาก การทําใจให้สงบทําใจให้อิ่มด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็การใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆอันนี้เป็นบุญกุศลที่สูงสุดเพราะว่าการทําทานนี้หยุดความอยากไม่ได้การรักษาศีลหยุดได้แต่ข้าไม่ได้คือหยุดได้ชั่วคราวทําทานก็ ไม่ได้ค่าความอยากเพียงแต่ตัดความอยากให้มีกำลังน้อยลงไปศีลก็เพีงกั้นเอาไว้ไม่ให้ออกไปนอกกรอบของความปลอดภัยถ้าไม่มีศีลก็เหมือนกับรถที่ขับรถแห่โคไปแต่ถ้ามีมีศีลก็มีจะมี ของที่จะคอยกั้นไม่ให้รถวิ่งแหกโค้งไปสิ่งนี้เป็นเหมือนกับรั้วที่จะคอยกั้นไม่ให้เราแหกออกไปจากรั้วไปพบกับภัยอันตรายต่างๆคือไปพบกับวิบาก ท, ที่เกิดจากการทำบาสนั่นเองถ้าท ถ, ถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะต้องไปติดคุกติดตลาหรืออาจจะถูก ลงโทษประหารชีวิตก็ได้หรืออาจจะฆ่าตัวเองตายไปก็ได้อย่างที่ได้แสดงไว้ว่าเวลาเสียใจก็ฆ่าคนที่ทําให้คนเขาทำให้เราเสียใจพอฆ่าเขาแล้วก็กลัวจะต้องไปรับใช้โทษในคุ้มในตลาดก็เลยฆ่าตัวเองตายตางไปถ้ามีศีลแล้วก็จะไม่ฆ่าใครไม่ว่าจะมีความทุกข์ใจมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะพยายามกั้นเอาไว้ข่มใจเอาไว้พยายามนึกถึงวิบากกรรมที่จะต้องตามมามศีลก็จะปกป้องให้เราไม่ต้องไปรับวิบากกรรมต่างๆ<ม>แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายความอยากให้หมดไปได้แม้แต่สมาธิก็ไม่สามารถทำลายความอยากให้หมดไปได้ สมาธิเพียงแต่ฉีดยาสลบให้กับความอยากเวลาอยู่ในสมาธินี้จะไม่มีความอยากจะรู้สึกสบายอกสบายใจอยู่เฉยๆได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่ใช้ปัญญาจะจะไม่สามารถหยุดความอยากได้ไม่สามารถฆ่าความอยากได้ เวลาออกจากสมาธิมาแล้วความอยากก็จะเริ่มออกมาทางานเริ่มอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปที่นั่นอยากไปที่นี่ตอนนั้นต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่ได้มาจากความอยากนี้เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขอย่างที่เวลาได้คู่ครองมาได้ความทุกข์มากกว่าความสุข เสียอิสระภาพไปเสียความสุขไปไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจได้เวลาจะทำอะไรจะต้องขออนุญาตจากคู่ครองเราก่อนนี่คือปัญญาปัญญาท่านั้นที่จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจะไม่มีความอยากพื้นกลับคืนมาอีกถ้าเห็นโทษของความอยากแล้วเหมือนกับเราเห็นว่า เห็นลูกระเบิดเราจะไม่อยากจะได้ลูกระเบิดเพราะเรารู้ว่าลูกระเบิดเวลามันระเบิดขึ้นมามันจะต้องฆ่าเราหรือทำลายเราฉันใดถ้าเราเห็นความอยากเป็นเหมือนลูกระเบิดเห็นโทษของความอยากเราก็จะไม่อยากได้อะไรัลนเราไม่ต้องมีอะไรก็ได้ถ้าเรามีบุญมีกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิ ที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการทำทานเราจะไม่หิวไม่อยากเพราะเรายังมีความอิ่มมีความสุขที่ได้จากบุญจากกุศลนี่เองนี่คือความสำคัญของบุญของกุศลที่จะให้กำลังใจที่จะให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างง่ายดายร่มเย็นเป็นสุข ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหากับเราเพราะเราไม่ต้องมีอะไรก็ได้ถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วใจจะไม่หิวใจจะไม่อยากจะไม่เดือดร้อนมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เอามาทำประโยชน์ให้กับตนเพราะว่ามันมีพอแล้ว ประโยชน์ของตอนนี้มีอยู่เต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจแล้วมีมาก็เอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวงทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเปลี่ยนขึ้นมาภายในหัวใจของท่านแล้วท่านก็ไม่ต้องมีอะไรอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มา ท่านก็เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวท่านตัวท่านมีบุญมีกุศลที่ให้ความสุขอย่างเต็มที่อยู่แล้วและไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขได้ดีเท่ากับความสุขที่ได้จากบุญและกุศลนี้ท่านจึงอยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่วุ่นวายอยู่อย่างไม่มีความอยาก ไม่ต้องมีลาดชลถพระพุทธเจ้านี้ไม่มีลาดฉลดไม่เหมือนกับพระสมัยนี้ที่มีขบวนรถมีทั้งรถขบวนนำหน้ามีทั้งรถรูหลาว้ยนั่งพาไปตามสถานที่ต่างๆพรุทธเจ้าทรงจาริกด้วยการเดินเดินไปภาวนาไปเหมือนกับเดินโจงขนจเจริญสติสมาธิ ปัญญานี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องบรบกวนผู้อื่นแล้วก็เป็นการสร้างรูปแบบสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พระที่ตามมารุ่นหลังถ้าพระผู้ใหญ่อยู่แบบรูหราพระที่บวชใหม่ก็จะคิดว่าเป็นวิถีชีวิต ของพระก็อยากจะอยู่แบบรูหราเหมือนกันแต่ถ้าพระผู้ใหญ่อยู่แบบส ม, มะถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษพระผู้น้อยเห็นก็จะยึดเป็นแบบเป็นฉบับอย่าง ก, กูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือในปัจจุบันตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาท่านก็อยู่แบบมักน้อยสันโดษส ม, มะถะเรียบง่าย ท่านไม่ฟุงเฟ้อเอไปกับวัตถุต่างๆที่คารวะผู้เหตการ์ยินดีชอบกันเพราะว่าใจของท่านไม่มีความหิวเหมือนใจของคารวะญาติอยู่แต่ถ้าไปอยู่แบบคารวะญาติโยมมีของหรูๆแล้วร้ามีท้าวของต่างๆเต็มไปหมดอย่างนี้จะไปเรียกว่าเป็นสมณะได้อย่างไร เป็นผู้ประเสริฐได้อย่างไรการที่เรากล่าวไหว้พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาโลกทั้งหลายก็เพราะว่าท่านประเสริฐที่ไม่มีความโลภความโกรธความดุไม่มีความอยากได้าดลาภยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกิก่นรสผลธภะต่างๆมาบำรุงบำรุ พระใดพระผู้พระที่ยังต้องมีราบยศสรสรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นพระจริงเพราะว่าถ้าพระจริงแล้วจะไม่ไม่สนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องของคนที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่คนที่ไม่มีกิเลสตัณหาแล้วจะไม่สนใจกับเรื่องราบยศสรสรเสริญ จะไม่สนใจกับรูปเสียงกลิกก่นรสต่างๆจะไม่สนใจกับของหรูๆของหลาๆของที่มีราคาแพงๆของฟุ่มเฟือยต่างๆจะอยู่แบบสถมถะเรียบง่ายจะอยู่แบบพระพุทธเจ้าจะอยู่แบบพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเวลาจะฉันอาหารก็ออกบิณฑบาตไม่ขี้เกียจ ไม่อ้างว่าเป็นไม่สบายไม่สบายแต่เดินไปไหนมาไหนได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ไปทำอะไรก็ไปได้แต่เวลาไปเบญทบทไปไม่ได้อย่างนี้อ้างว่าอาพาธไม่สบายอันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิถีของผู้ประเสริฐไม่ใช่วิถีของพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดาเนินพระพุทธเจ้าทรงสอนพระให้เบิทบาท ตั้งแต่วันบวชนี้พระอุปชาก็สั่งสอนแล้วว่าให้บินทบาทเป็นการเลี้ยงชีพนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงเป็นปฏิบัติเป็นตัวอยา่างหนึ่งในพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ทุกทุกวันก็คือการออกบินทบาทแล้วก็ทรงสอนในทุง่งดอกขาว ที่เป็นเครื่องมือกําจัดกิเลสฆ่ากิเลสให้ถือการบินทบาตเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่ถ้าจะวันไหนจะฉันวันนั้นก็ต้องออกบินทบาลยกเว้นถ้าป่วยจริงๆลุกขึ้นมาไม่ได้เดินมาไม่ได้แม้แต่เวลาฉลาภาคก็ยังบินทบาตหลวงปู่บ้านนี่ท่านบินทบาตอายุแปดสิบท่านก็ยังออกบินทบาลอยู่ ถ้าถ้าท่านเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านท่านก็เดินไปขึ้นทางชาวบ้านเขาก็มารอใส่ที่ขึ้นทางถ้าไปที่หมู่บ้านคขึ้นทางไม่ได้ก็เดินออกไปที่หน้าวัดถ้าหน้าวัดไม่ไหวก็เดินรับบาทที่บนสารานี่คือเครื่องแบบฉับ ท, ที่ดีของพระแท้พระจริงพระที่เป็นผู้ที่ประเสริ เป็นแบบนี้นี่คือวิถีชีวิตที่เกิดจากการมีบุญมีกุศลอยู่ภายในใจถ้ามีบุญมีกุศลแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจะพยายามทำหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นแบบฉบับที่ดีต่อพระที่มาบวดรุ่นหลังต่อไปนี่คือเรื่องของการมาสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อให้เรามีความสุขมีความล่มเย็นเพื่อให้เราอยู่อย่างสถามถะเรียบงา่ายอยู่อย่างมีศีลมีธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเก็จะทำให้ผู้อื่นอยู่กับเราอย่างมีความล่มเย็นเป็นสุขจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เกิด ความสุขให้เกิดกำลังใจที่จะฟันฝ่าต่ออุปสรรคต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆภายในชีวิตให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นดีงามการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงปกป้อง ค, คุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขละความเจริญด้วยอายุวันะสุขะภละโดยทั่วหน้ากัรเธอ